บุกทูสามสิบเจ็ดทริสดสมิดเซปติระหว่างเดินทางเซียร <C ella. S 1> เขาขับรถจักรยานยนต์วิงชบราอุสอร์มอโตซิกลุเขาขี่จักรยาน v <au> i ่งส์บราวด์ส์อ i ร์ดิวริเขาเดินวิ่งส์อีดคายามเขาไปโดยเรือใหญ่วิ่งส์บราวด์ส์อาร์คูจเขาไปโดยเรือวิ่งส์บราวด์ลเขาว่ายน้ำวิ่ ที่นี่อันตรายไหมคะ vai š ชตอิรบีสต์มการโบกรถคนเดียวอันตรายไหมคะาอิรบีสต์มิเวียนน a พัชชมปรากฏอารอตอ t o ็อมันอันตรายไหมคะถ้าออกมาเดินเล่นตอนกลางคืนว a i tas ir บ ī s ต a m i นักที่อี p ต s t a i g ā t i e s เราหลงทางเมสส์แอสซัมอปมอลดิอุเรามาผิดทางเมส s, <S, s, <S, <S, s a แอสซัมอุสเนเปเรซา a เราต้องเลี้ยวกลับทางเดิมมุมสิอากรีอัสอัตปักลจอดรถได้ที่ไหนคะกูร์เชว ที่นี่มีที่จอดรถไหมคะ w h i s i r a u t o m a š ī n u s t ā v t ī ī rot, ā l u k u m s ที่นี่จอดรถได้นานเท่าไรคะ Usic y u l i k u šeit v a r n o i e no t o t a u t o m a š ī n u คุณเล่นสกีไหมคะ a i j ū s l ē p o j a t คุณจะขึ้นสกีลิฟต์ไปข้างบนไหมคะ Vai j ū บ b r a ซีตออกชาอัศลัยปวดตาหยุดปั๊บซาลายุที่นี่มีสกีให้เช่าไหมคะ v ายเตวารนัวมาลปส